กาทำต่ออีกจากพวกเราซึ่งเป็นคุณลบรุนลธิดาที่ผู้ออกปวดด้วยจตธาเราได้ฟังทำมาเทศนาของพระพุทธเจ้าธรรมปางสูตรตื่นนหง่าตื่นนะ ธรรมเทศนาตอนนี้น่าจะสร้างศรัทธาได้บูกงเงิกขึ้นมาเพรอปเราุป็นเราบุตรคุณลราธิดาผู้ออกอวดด้วยศรัทธาจงปราลบความเพียนอย่าได้ประมาทในตั้งกิจว่าเช่มแผงแม่เลือดเนื้อกระดูกกระผูพังพก็ตาม ต้องมีความเพียรมนความบอกบันเพื่อใหงประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมเมื่อเรามีความเพียรมีความบอกบันมอทำประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์แล้วก็จะสร้างประโยชน์ของคนอื่นว่าเหลนี้บริโภคิอีออนวิท บ, บาเฉนาสนะพิรนาเภสัชของคนทั้งหลาย จะได้ผลทั้งสองฝ่ายโตไม่ยีวันวิถ บ, บาเสนอาสนะจะมีะระสงใหญ่มีผลใหญ่นี่คือชีวิตของเราที่มีงานมีการที่ต้องทำเราก็อบวดแล้วด้วยศรัทธา <c oughs> แล้วก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ แต่ว่าบวชนีก็ตรงอยู่แล้วบวชชอหรือละความชั่วทำความดีทำผิดห้บริสุทธิ์นี่งานของเราเมื่อเราทำงานสิ่งที่มันไม่ดีก็จะจบลงสิ่งที่สิ่งมันดีก็เกิดขึ้น งานของเราที่ตรงๆคัอ ง, งานกรรมฐานนี่มีสติไกในกายมันเป็นสูตรของตัวเราเองทุกคนมีกายทุกคนมีสติเหมือ น, นกันสิ <c oughs> <c oughs> ่งที่เกิดเกิบกายกับใจมันมีอะไรมากมายจะได้เห็นเมื่อเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็ให้รู้สึกตัวแต่วันหลงกวรู้สึกตัวซะให้หลงเป็นลู้บ่อยๆงานนี้ก็จะจบลงควมหลงก็จะจบลงถ้ามันเป็นทุกข์ก็ให้รู้ซะให้ลู้บ่อยๆทุกเมื่อใดรู้สึกตัวโดยวิชากรรมฐานกลับมา ความทุกข์ก็จะหมดลงจบลงได้เมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นก็ให้รู้สึกตัวซาก็มารู้สึกตัวซาเมื่อเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้บ่อยๆความง่วงก็จะจบลงหมดลงได้มันจบได้มันเสร็จได้งานแบบไม่มันจบได้ไม่ใช่มันไม่จบมันไม่สําเร็จมันสําเร็จได้ ้าทำสิ่งที่มาดีให้มีความสำเร็จมันก็ถือว่าเป็นการมัดถือ ก, ก็ถือว่าเป็นความภาคเพียนความภาคเพียนแบบนี้จังมีความหลุดพ้นพ้นทุกผู้มีความเพียนย่อมพ้นทุกวิจยในทุกกรรมวจจิติคนล่วงคน วิเยนะทุกขกมจชติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียนคือเพียนแบบนี้เพียนเ้าความชั่วก็คือเพียนอย่างนี้เพียนทำความดีคือเพียนอย่างนี้มันมีความไม่ดีในการในใจเรานี้เจ้าปล่อยทิ่งไว้เมื่อมีสติจะได้เห็นแล้วจะได้ทำงานทาการเป็นคนมีงานมีการ โดยตรงละกรรมฐ า, านนี่เป็นเรื่องทำมาทําการจริงๆในชีวิตโรานี่ถ้ามันจบมันก็เป็นมรรคเป็นผลเหนือการเกิด เ, เจ็บเจบตายถ้าเราไม่ทํามันก็จะมีแต่ปัญหาลูกกอดกูถึงทุกขเวทนาก็เป็นทุกขสัญญาก็เป็นทุกขสังขารก็เป็นทุกขปัญญาณก็เป็นทุกขผู้ปฏิหานขาดตั้งห้า นักไม่รู้จักวางเอาลูกมาเป็นตัวเป็นตนเอกเวทนามาเป็นตัวเป็นตนเอาสัญญามาเป็นตัวเป็นตนเอสังขารมาเป็นตัวเป็นตนเอาวิญญาณมาเป็นตัวเป็นตนเอาความทุกมาเป็นตัวเป็นตนเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธกูก็ทำตามความโกรธเป็นชี้ข่าความโกรธเป็นชี้าควมหลงเป็นชี้าความทุก น่าจะมีกำลังขึ้นมาหาเถืดรตถาทกโกยู่เฉพหน้านี่แล้วสิ่งที่ไม่ไดีเฉือนโหนปวดแล้วประกาศแล้วในความทุกข์มันไม่มีความมันมีความไม่ทุกข์นะในความโกรธไม่มีความไม่โกรธนะตลอดทั้งในความแก่เจ็บตายมันก็มีความไม่เแก่ไม่เจ็บมันตายประกาศอย่างนี้ ทำไมจึงยอมความแค่มันหลงก็หลงไยตาสร้างความหลงงูก็สร้างให้เกิดความหลงจมูกสร้างให้เกิดความหลงลิ้นกายใจทำไมสร้างให้เกิดความหลงได้ประโยชน์อะไรจากตาได้ประโยชน์อะไรจากลูกที่เป็นบุญขึ้นมาได้ประโยชน์อะไรจากหูที่เกิดเป็นบุญขึ้นมาหรือเป็นบาปไปซะ ยินดียินร่อยไปแล้วโยกที่มันเกิดจากตาก็มีเป็นประโยชน์ประโยชน์เกิดจากหูก็มีฟังไหมคุณเจ้าแสดงมาจีนเนี่ยทำมาปาหังางแน่าจะกระโดดขึ้นฟังอีกฝังหน่งลหรืออะไรกันเกิดขึ้นมาอกุศลละทับอราณมกทั้งหลาย เมื่อคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมคิดแต่เบื้อปุ้งปุ้งแต่งแตงมีความลักควาช่างควาโกรธควาโลภความหลงมีความทุกข์อกุศลหนามกเมื่อมีอกุศลเรเป็นเบาขึ้นไม่ได้หนักเจนภาละมีกายก็มาลำใช่ความทุกข์ความสุขความโกรธควาโลภของหลงเราจะไม่ต้อง เราจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นหรือชีวิตของเรา เ, เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้หรือมนุษย์เนียสมชื่อไหมประเสริฐใดตรงไหนเพียนลงเป็นลูกก็ไม่เป็นเพียนทุกเป็นลูกก็ไม่เป็นเพียนกวดเป็นลูกก็ไม่เป็ี <c oughs> ่ยนไม่มีเสียงนะอาจารย์นสินพูดดีไหม <c oughs> อทอานี้ก็ออกพอจะตื่นไหม นะ น, น่ะปัญญายิงเกียงแนวปฏิบัติทำนะ่ะปัญโกรปปันกรรมขึ้นมาปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงรู้โสดตัวเหยื่อได้ให้ผลได้จากความหลงกลายเป็นความรูป้ปฏิบัติได้มันทุกข์หลือทุกข์พ อ, อได้ พลาดการของร็อกของชอบใครก็เป็นทุกข์เกิมาเป็นรูปชาทําได้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เด้อกบารู้จึกตัวชะเคยไหลไปแบบนั้นว่าไม่สบายกายควไม่สบายใจความขับแย้งใจก็เป็นทุกข์กบารู้จักตัวชาถ้ามันมี มันก็มีกันทุกคนนั่นแหละพัดภาคจากของรล่ของชอบใจเราก็มีพ่อแม่ที่ต้องหายตายไปแล้วก็มีสลงพ่อนี่เนไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วน้องก็ตายไปแล้วลูกก็ตายไปแล้วพี่ก็ตายไปแล้วพี่น้องหมดเคยเห็นหน้ากันก็ไม่เห็นแล้วพัดภาคจากกันไปแล้วเป็นทุกข์ มาอามาเป็นบทเรียนเราก็นหนึ่งเหมือนกันเกิดมาหนึ่งก็ตายหนึ่งเกิดมาสองก็ตายสองบอกถึงความธรรมชาติอนัตตาและขนาดสูตรย่อยออกไปมอไภัยความเป็นอนัตตาไปเราเป็นเอกาหากถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเรามันก็รู้แล้วตั้งสี่สิบห้าสิบปีเดียวนั่นคือกวามไม่เที่ยง ไม่ออกมากเป็นตัวเป็นตนหลุดพ้นได้บักได้ผลเพราะความไม่แที่ยงได้บักได้ผลเพราะความเป็นทุกข์เหมือนพระเจ้าได้แสดงทางจะไปสังฆาอนิจจาติยัตปัญญาญาปจติเมื่อใดบุคคลเหน็นด้วยปัญญาว่าสองขานั้งปวงเป็นไม่เที่ยง เมื่อนอนย่อมเหนือหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนเละเป็นทางแห่งพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้ความถูกต้องวางไม่ถูกต้องมาเป็นทุกข์เราอยู่แบบเป็นบุคคลประเภทใดในโลกนี้เกิดมาเราเพื่อยอมรับจริงเหล่านี่ยจริงๆเราไม่ไม่ไม่ใช่ การศึกษาจริงๆมันมีทางมันมีฝั่งความไม่เที่ยงแต่แท้เป็นนิพพานหลุดพ้นในความทุกข์เถิดเกิดนิพพานขึ้นมากลวามรอายเป็นความดีมาปฏิบัติทํามันได้เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีมากมายคิดมาเกิดขึ้นกับปากับใจนี่ เออสติเป็นที่ตั้งศูนย์ไว้ตั้งต้นจากศูนย์คือรู้จักตัวหนึ่งอะไรเกิดขึ้นมาถ้ารู้จึกตัวเป็นศูนย์ทั้งหมดลงตัวทั้งหมดศูนย์นี่มันเพื่อที่จะได้มาสถานต่าช่างที่ตั้งจากศูนย์ขึ้นมาไม่หลอกถ้ามันตายเรก็กลับมาทั้งศูนย์ที่ว่าไม่หลอก ชีวิตของเราเนี่ยถูกหลอกฉุกเป็นฉุกหลอ ก, ปลอกไปแล้วไปไม่มัอาจจะานฉุกต้องเป็นลูกทุกต้องเป็นลูกอเราใช่มันเกิด ข, ขึ้นมาต้องเป็นลูกเราจะมาสร้างภาวะที่ลูกให้มากอะไรใช่ความรู้ก็มีความรู้ก็จะใช่ความรู้พบวงจรชนในสิ่งที่มันคุบวงจรที่เกิดภายในกายในใจ สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับปากกับจเรายใช้ได้ทุกอย่างมีเงินก็ด้ใช้เงินมีข้าวก็มีข้าวกินมีเสื้อผ้าก็จะนุ่งอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยนิสัย จ, จริงๆมันคือนี่ปัจนิสัยนิสวยาาขม า, ข า, ม, ามาสร้างนิสัยแบบนี้ เป็นปัจจัยเหมือนกันขอเป็นนใช้เป็นปัจจัยเพื่อมรดผลนิพพานในอนาคตต่อการเบองหน้านู้นเถืนนู้นเหมันก่ายเห <c oughs> มือนก่ายเกินไปก็วโน่ดเดี๋ยวนี้เบิกหน้านี่มันหลงรู้เดี๋ยวนี้มันชื่นใจมันทุกรู้เดี๋ยวนี้กลับมารู้ที่กาเคลื่อนไหวอยู่เนลยสนุกนะ เวลาเราทำกรรมฐานเป็นชีวิตส่วนตัวสร้างความดีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นขึ้นที่กายที่ใจผมดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจเนี่ผมไม่ถูกเกิดเป็นความถูกเสียแล้วผมทุกข์เกิเป็นความไม่ทุกข์เสียแล้วงานมันเป็นอย่างไรงานกรรมฐานเอาต้องเปลี่ยนนะอย่าไปทําเฉยๆเป็นรูปแบบนะเอาเราเทมาเกิดขึ้นมาให้รูปสักตัวรูปสักตัวจ้า เคลื่อนไวมันช่วยได้นะตอนที่เคยบอกก็ชอมแบบนี้มันมันไม่เพียงหกกัวกรบทอมแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาแบบนี้อทอมไว้แบบนี้ขึ้นมา <c oughs> บบนนยกตัวขึ้นด้วยจะเป็นนั่งก้มคอตกอ ทำหลายอย่างอานันนี้ใส่ใจลูกนอกโูกแบบแบบโดยตัวตัวซเหมือนรู้สึกพระพุทเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่ป็นตโตเคยทำนะไม่ใช่มั้ยเคยมาสอน พ, พวกเรานะ เฮ้ยทำแบบนี้หอดไปมันอื่นบางทีก็กรอบนะบางทีกรอบนะทำให้มันตื่นลงมาเยอะท ทำเองนอกโูปแบบหามาปลกตัวเองเยอะๆยะ อ, อิริบบทต่างๆที่มันอยู่แดงกาในใจเราเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางจนเพื่อความรู้สึกตัวเนี่ยไม่จนจริงๆเยอะแยะไปเลยระยอมนั่งง่วงเหงา ห, าหนอนระยอมพุ่งสารคิดไปให้ความสุขความทุกข์เกิดจากความคิดแค่นี้ แล้วก็รู้อมายความรู้เ ก, กิดจากความคิดมันคิดขึ้นมามารู้วันสุขมันทุกข์ก็มาลูเอียนมันจะพื้นตะพื้แบบเนี้ยถ้ามันมีถ้าไม่มีก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้สักตัวไปมันก็ได้อยู่เลยสิบสี่รู้ก็ได้สิบสี่รู้สิบสี่จังหวะ ก, ก็ได้สิบสี่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งให้ทำอย่างนี้อย่าหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ หัดนิสัยหัดนิสัยอะไรที่เป็นความรู้เก็บเอานอกจากรูปแบบนี่แล้วเวลาฉันเวลาล่างบาบเวลาแบงพันเวลาร่างนาเวลานอนเวลาหลับเวลาตื่นเก็บควมรู้ให้มันต่อเนื่องไม่เคยควรู้ต่อเนื่องอยู่กับรูปแบบนอกรูปแบบวิ่งดี ยิ่งใส่ใจอันรูปแบบแล้ก็อยู่ในแบบได้พิมพ์อยู่แล้วถ้าประนาตตรงที่รูปแบบนี้ก็นอกรูปแบบยิ่งเหนียวไหลไปใหญ่ถ้าใส่ใจนอกรูปแบบกลับมาอยู่ในรูปแบบยิ่งชัดเจนแม่นยําเฉพาะก็ในพัฒนาให้ใหญ่โตให้มากขึ้นถ้านอกรูปแบบเป็นจริงสนับสนุนสนับสนุนเพื่อจะเก็บห อ, อมรอมลิบ ต่อกันได้หลา ย, ลายแบบถ้าเป็นคะแนนก็เก็บคะแนนหลายแบบมารวมกันเขา้ามาไม่ใช่จะมารอคอยอยู่กับรูปแบบนี้อย่างเดียวทำสะดวกสบายสติมันจะค่อยทำอะไรถูกต้องชอบทอทุกอย่างมันไม่ใช่ผิดถ้ามีสติไปใช้กับรีบุต่างๆได้ทั้งนั้น กรเป็นความชำเนิ่นจำนานเกินปัญญาโลภรู้โลภโลภหน้าโลภโลภหน้าในโลภโลภหูได้ยินเสียงก็รู้โลภจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสขายสัมผัสจิตใจคิดก็รู้โลภโลภจิตที่มันเกิดขึ้นก็กลายกับใจรู้โลภโลภเรียกว่าหน้าโลภผู้มีหน้าโลภแบบนี้เรียกว่าปาขีหนาศก เป็นพระหรหันได้ไม่ใช่ลู่เฉพาะทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายให้เหมือนแสงดีโอ่อนให้มันลูล่รอบๆสติเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราหัดใช้ที่นี่ไปก่อนเปิดใหม่แต่กับรีโบดเจะ ก, ก่อนสิบสี่ลูกหัดให้เป็นระเบียบแบบนี้นอกจากระบายจับไปใช่ได้ันชํานานแบบนี้ก็ใช้ํานานแบบอื่นได้ จะนังสืออ่านหนังสือได้เฉพาะเรื่องเปิดคุณเชะใส่คุณเชะเจีบลูกคุณเชไม่ไม่ไม่ลืมไม่หลงที่จะให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษอันหลงชื่อหลงหน้าหลงตาหลงอันนี้มันหลงแบบแบบหนึ่งไม่ใช่หลงทํำให้เป็นทุกข์เป็นโทษใครก็หลงหน้า แต่หลงที่เป็นทุกข์เป็นโทษคืออกุศลหลงที่ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่อกุศลเป็นธรรมดาไม่เป็นบาปเราจึงต้องฝึกนะว่ามันมีเหตุที่ทำให้เกิดหลงวัตถุทำให้เกิดหลงด้วยวัตถุกกรมพุณุนท่าหูจมูกเล่นกายใจดูรดกลิ่นเฉียงเออลงเป็น วัตถุที่เกิดกรรมคุณได้จะให้พัดไปแล่นไปไกลถ้าเราไม่ฝึกมันดีมันชุกซนมากในชีวิตของเรานี่แต่ถ้าเราฝึกมันเป็นเครื่องมือให้ได้ให้ ไ, ด, ไ, ด, กกได้บทเรียนเยอะแยะไปดูอกกรสร้างมาเกิดบทเรียนเยอะแยะจะได้ใช่สิ่งที่มัน มีปัจจัยนั้นให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องใต า, าใช้หูจะหมูกลื่นกายใจอย่าให้ตาหูมันใช่เราอย่าให้ใจมันใช่เราถ้าเราไปฝึกมันก็ใช่เราความเจ็บก็ใช่เราให้เจ็บให้ทุกข์ภวมเก็บความแก่ก็ทุกข์ภวแ ก, ควก่ความตายก็ทุกข์ภวตาย ถ้าเรามาศึกษาและมาฝึกหัดไม่ได้เก็บผูวว้ความเก็บไม่ได้เก็บผูวว้ความเก็บไม่ได้ตายผูย้ความตายความเก็บเป็นดันหนึ่งความเก็บเป็นดันหนึ่งความตายเป็นเรื่องหนึ่งในวันไปดูห้องไอซียูใจพวงไปดูหลวงพอ่อเสถียรไม่ใช่ดูหลวงพอ่อเสถียรคนเดียวไปเห็นคนไหนก็อยากจะช่วยอยากจะบอก แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องวางคนก็พอลูความหมายยกมือขึ้นมา่หยแต่ว่าปากอมท่อใส่อกใส่ห้องรอซีอยู่จุ่จมสมองก็ไม่สยาอในปากก็ไม่ท่อหายใจมัดมือติดมัดแขนติดเตียงไว้บงคนก็ ืูนตาอเฉยๆพูดพูดในฟังก็ทำท่าตอบสนองบางก็ก็คอยยิ้มขึ้นมาบางคนไม่มีรู้สึกตัวเลยแต่ได้จะไหลไปเลยเป็นอย่างนั้นนะเราแน่นอนที่สุดเราไปจะไปสู่สภาพเช่นนั้นหรือไม่เตรียมตัวหรือจะทำยังไง เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่คือการเตรียมตัวเปลี่ยนทุกเป็นรู้คือการเตรียมตัวเปลี่ยนโกดเป็นรูก้การเตรียมตัวเปลี่ยนความพอใจก็ไม่พอใจเป็นความรู้สึกตัวคือการเตรียมตัวไปจากนี้เริ่มไปจากนี้จึงจะทําเป็นทําให้มันเป็นถ้าทําเป็นแล้วมันก็ไปไปไ ป, ไปต่อไปจะจบได้นี่หลายชีวิตเรามันมีความหมายเพื่อการนี่โดยตรงไม่เฉลย เจบเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความแจบความเจ็บความตายของผ้าผ้าแก่ของกลับของชอบใสเป็นทุกข์ความไม่สบายกายของไม่สบายใจเป็นทุกข์ภาษสิ่งใดไม่ได้สินั้นก็เป็นทุกข์พอโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่ขันเนี่ยทุกคนก็มีกายมีรูปลูกมันก็มีเวทนา ไออนมีหนาวมีหิวมีผวดมีเมื่อยมีแกเก็บตายนี่รูปขันเวทนาขันมันเกิดช่อนขึ้นมาอีกยในกายเอาสุขมาเป็นกายในกายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นเวทนาในเวทนามันเกิดมันเกิดมันเกิดรูปแบบนั้นเกิดเป็นเป็ดเป็นสุรกาเป็นสัตวลกเป็นเนยฉานได้ เวทนาตัวเนี่ยมันไปไกลเห็นเวทนาสักว่าเวทนากลับารูลกจักตัวเหมือนพว้เจ้าโสหน่อยเวลาเราปฏิบัติได้ทำอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้มีสติปัญกาอยู่เป็นประจอ ม, มีความเพียรเครื่องเองเิลดถอนความพอใจและความไม่พอออกไปในรลกจักตัว ความพอใจแล้ไม่พอใจเป็นรถของโลกเมื่อโลกอยู่ที่นั่นก็มีความเกิดเจ็เจ็บตายถ้ามีความพอใจไม่พอใจอยู่หรือว่าจะต้องมีความเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอนเราจะให้เหนือก่เกิดเจ็เจ็บตายถลนออกมาลู่จากตัวแบบนี้วิธีปฏิบัติก้าวแรกไปแบบนี้ถ้ามีก้าวแรกกับมีก้าวที่สองเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนนี้เปลนนี้ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆไปก็แต่ขานได้มาให้รูกบทในรูปในนามมันบอกให้ลูกบมดมาเห็นรูปเห็นนามรูปนามมันสอนให้ลูกมันคืออะไรรูกทำนามทำมาทำมาไหนลูกทำนามทำนี้ทำของรูปมันทะสิ่งที่ รูปทำมันเคยอะไบ้างสิ่งที่น้ํำทำมันเคยอะไรบ้างทำไม่สองอย่างนะทำทอสลามมันทําดีมันทําชั่วรูปทำดีน้ำทำดีลูปทำชั่วน้ํำทำชั่วโทอสลามเยอะแยะรูปทำน้ํำทำอีกทอทองโลเรือสองตัวบอมเป็นธรรมชาติที่มีในรูปในน้ำนี้ เราเห็นลูกทำนามทำเรารู้สึกตัวมันก็จะมันก็จะเกิดความชอบขึ้นมาระหว่างรูปทำนามทำมันจะให้ทำดีถ้่ากับจะทำความหลงไม่ดีความลูกมันดีรูกทำแล้วมือทำแล้วนามทำแล้วความทุกข์มันไม่ดีรูกมันทำแบบนั้นนามมาทำแบบนแบบั้นมันจะรู้สึตัวกอบมาทำดี เียว่าถอนออกมาทําดีรูปทุกน้ําทุกรูปโล ก, ลกน้ำโล ก, ลกมมรูปสมบุติรูปบัญญัติน้ำบัญญัติมันจับมากมายบัญญัติสมมุติบัญญัติโคกเงำผลทั้งโลกถ้าไม่นรู้จักนำบัญญัติเอาตาเห็นก็บัญญัติตญญตว่าชอบตาเห็นบัญญัติว่าไม่ชอบเป็นของใครของมัน โอ้่เยืนก็บัญญัติว่าชอบไม่ชอบเมื่อชอบมาชอบคว ม, มีความพอใจไม่พอใจเมื่อมีความพอใจมอกใจก็เป็นตัวเป็นตนไปดูพทานเกิดขึ้นสร้างกิเลตนาสร้างความโกรธความโลภความหลงสร้างความเลอะความจังทําตามจริงเหล่านั้นไปถ้ามังโกรธก็ฆ่ากันตายทะเลาะกันทิ้งกันพี่น้องทะเลาะกันสารหลายอย่างหัวหมีทะเลาะ ก, กันได้บัญญัติ ไอ้อุทานเกิดขึ้นมีปัญหามากมายเอามาเห็นสมมติวัญญัติปรมาตา จ, จักในโลกนี้มีสมมติมีปรมาจารในจริงแบบสมมติจิงแบบปรมาตารยอมหลงเปนสมมติวัญหยัดว่าไม่หลงเป็นปรมาตา จ, จักรยอมเลกความจริงเป็นสมุติวันหยัด ความล็อกความความที่ไม่ลักไม่ฉลงเป็นปรมาจาจย์เป็นปกติอะไรดีอะไรไม่ดีสมมติเอาต่าความสมมติต่างกันไปไม่เหมือนกันเอาวัตถุอาการที่มันเกิดในโลกป่าไมา้แผ่นดินก็เป็นวัตถุต้นไม้เป็นเป็นวัตถุทั้งหมดเกิดขึ้นมาเป็นวัตถุอาการในตัวเราก็มีวัตถุอาการ รูปมีน้ำมีเลือดมีเนื้อมีวัตถุรูปของเราในเมื่อสัมผัสความหนาวสัมผัสฝนรองฝนก็หนาวสัมผัสแสงแดดก็ร้อนมันมีอาการมาขาดอาหารก็หิวนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยอาการเหล่านี้ไปไกลถ้ามันรู้จักอย่าไปเอาอาการมาเป็นตัวเป็นเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดธรรมชาติรู้สึก เราจะได้เห็น <c oughs> จิงนี่เกิดขึ้นตัวเสด็จะไต่ไปไต่ไปไต่ไปเอ็ดเลยก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นไต่ไปรู้รูู้้รเอาไว้เป็นที่นี่กันนี่นี่นี่นี่เมือ่อจินี้เกิดขึ้นนั่นไว้แล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วจ บ, วจบรู้แล้วรู้แล้วรูแว้แล้วรู้แล้วเรียกว่าเหมือนกับพระเจ้าตัดเรียกโกนดันยอง ให้น้ำนำหน้าว่าสัพนนำนำเน่าอันญาอัญจาสิอันญาสิคือผู้รูดร้ดวงนี้เทศนากันแรกผู้คนทัญยารูดร้ดวงนี้ก็ตอบสนองมันตอบสนองใจใจมีรอยยิ้มทุกไม่เที่ยงเทศนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงบิญฑาตไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สินั้นไม่ใช่ตัวตนสิน่งใดไมาใช่ตัวตนจิตไม่ควรคิดว่าเราว่าของเราว่าตัว่าตนของเราเกมบแจ้งในใจของคนทันยาเจ้าเทศไปตั้งแต่ทางที่ทา่านบอกทั้งทางแล้วก็บอกถึงอนัตาและขนสูตรความไม่ที่ยง น, นเกิดขึ้นในรูปนามเอเลยว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไร ล่องโดยอริสัดสีจบลงที่ฤาษีมงคลล่างจิตของโกนทัตยาผู้ใส่ใจฟังเพราะได้ทำบาเป็นตูนอยู่แล้วเสกเกิดศรัทธาตั้งแต่เห็นวันปัจสูตได้ไปทำนายทายทักกับพาพมณ์่างแปดคนโกนทัตยาเป็นาพาหมณ์นมตั้งแต่เป็นสมัยเป็นไปทาย ลักษณะของศิทธัของสิทักิกรรคนทันยานทายเป็นอันเดียวเจ็ดคนนั้นทายเป็นสองอยาอ่างถ้าแบ่งคำ ว, ว่าจะได้เป็นเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นชาตรดาเอกในโลกสองแปดอเอเจ็ดคนส่วนคนทัญญาว่าทายว่าต้องออกบวชได้นอน เป็นศาสตราในโลกหลอจนส6บหปีเอา้าสร้างภาษาสรูแล้วเกดแลวบันใดออยี่สิบปีสิบหกสบเจ็ดปีก็เกิดลาวุยี่สบ้าปีเกิดลาบุนขึ้นมาเอา้าเชียกผูกข้อปกศอกไปพอด้แล้วยังไม่หวังต้องแน่ต้องไดแ น, แน่นอน ทีจ่จบก็ไปออกบวดใช่ไหมแต่ <c oughs> ประจวบนะกอออกบวดก็แน่แล้วแน่แล้วน่แล้วชวนลูกของาพามพ่อพ่อาพดดามแล้วเดี๋ยวตายกดแล้วเอาลูกาพามบบปะพะทัทยามหาละมะชาอจชจ chi ไปด้วยไปไม่เป็นหมนหรอกามออกปวดสิทธะชวนกันไปรับใช้สิทธะ เันได้หกปียังโลเหลือไหายแล้วแล้วมันล้างกายของพอเด้๋หกปีที่หกนั่นร่อสิริธามาจินข้าวมาฉันข้าวใชคนทนญญายหมดหวังแล้ววันนะี <c oughs> ม้มักมากแล้วนีจากอะไรไปนนะ่ะโอ้ย ไ, ยไม่แม่เราเรา่ทยไม่แม่หนีไปอยู่บนปลายสีโน่นอ่นะ ยาวแต่จสรู่ตามไปโดยเฉพาะามไปไปโปรดเนี่ยจนได้เป็นพระอายบวรฒหันรูปแรกคือคนทัญญาพระอาจารย์ให้ อ, อัญญาชีวิตโกคนั่นอยู่นะชีวตโกศนั่นอยู่อัญญ า, าลู่แล้วอัญญาลู่แล้วอัญญาตัวนี้เสียดาย <c oughs> แต่ก่อนคริสต์ศตวรรษเรียกชื่อพระปวดอบวดหลายปีเรียกว่าอัญญา อัญญารู้ๆแล้ ว, ดวโดยอดถดไปแล้วเป็นห้าปีหกปีไม่เรียกว่างมงถ้าบวกปีสองปีสามปีว่าเจ้าบม่มถ้าบวนห้าปีไปแล้วอัญญา น, นี่ไม่เหมืยแล้วอัญญางมงก็หมดไปแล้วเรียกหลวงพี่แทนอัญญาก็เรียกพระครูอัญญามันสูงกว่าพระครูนะ อัญญาเนี่ยเป็นผู้ลู่ทำนะพระครูมันแต่งตั้งนะอัญญาเป็นผู้ลู่ทามีหลวงพ่อเรียกอัญญาหลายคนเดียวเรียกว่าอัญญาในในโลกด้อัญญาหมายอัญญาหมายเจดายเจดายชื่อนี้ใคาจะเรียกด้วยก็ได้นะไม่สงวนอัญญาโกวบสี่พรรษาห้าพษาคนเรียกอัญญา อันนอัน้แลวอก็สมควนใจเวลาครับ